ขอความสุขความเจริญยีนดีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมประจำวันจันนี้ก็คงพูดเรื่องพระพุทธศาสนากับ ส, สวัสดิภาพของสังคมสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนก็ได้พูดถึงกรอบกอบข่ายของคำว่าสวัสดิภาพ ที่แปลว่าความดีความงามความเจริญการสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขคือแต่ละข้อเนี่ยเป็นความหมายรวมของคำบาสวดิภะโดยเฉพาะความสามารถดำรงชีวิตอยู่โดยปกติสุขก่อเกิดความสวยงามความเป็นผลของความดี แล้วก่อให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆรภปาสนานั้นมีเป้าหมายในการสร้างสวัสดิภาพก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองเราเรียงขึ้นไปโดยลำดับและที่นี้เราเน้นสวัสดิภาพในชีวิตประจำวันแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้เกิดสวัสดิภาพก็คือชีวิต ซับสิงคู้องและการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสารที่เรารับหรือจากสื่อที่เราเป็นคนสื่อหมายความาเราในฐานะผู้สื่อก็สื่อสารที่สุดจริตเป็นความสั์ความจริง การส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีมีความไพเราะอ่อนหวานแล้วก็มีสาระประโยชน์เพราะฉะนั้นสวัสดิภาพเหล่านี้เป็นสวัสดิภาพที่มีปัญหาอยู่ตลอดจนคำกล่าวที่ว่ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กับปัญหาเรื่องฝากเรื่องท้องเป็นปัญหาถาวรในโลกมนุษย์เรามีการปราบปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองกันกรเรียกว่าทุกวันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เรายังไม่รู้สึกว่ามีความมั่นคงเท่าที่ควรในนอนส่นนินเมืองมันเกิดขึ้นจากความโลภ คือเป็นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสดุดใบพลอยก็ไม่รูจ้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักดุดดุดก็มีการควอยคว้าปรารถนากันดำไปอีกย่างห่ง ม, มันมีปัญหาด้วยตัวของมันเองจริงๆหมายความว่าชีวิตคนเราน้นเวลานี้ได้สูญเสียไปเพราะ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำกลางกระแสของโลกาภิวัตน์ทำกลางมลุษย์พิษทั้งหลายทำกลางปัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมสรุปรวมว่าเราก็มีปัญหาเรื่องศีลธรรมัุณภาพทางร่างกายเนี่ย มุตต้องการปกติสุขหรือเป้าหมายสูงสุดก็คือปกติสุขแต่ชีวิตร่างกายเราก็ประทบกระทบกับการถูกเข่นค่าทำลายล้างถูกทรมานถูกทรกรรมถูกทำถอันต ร, ร, ร, ร, รายในรูปแบบต่างๆเป็นข่าวคราวปรากฏทางสื่อมวลชนประจำวัน เรียกว่าข่าวสารเหล่านี้ไม่เคยขาดหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ทางสถานีวิทยุทางสถานีโทรทัศน์ยุนสมบัตบพิภาพที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมันไปยึดโยงอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจเพราะเมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจมากปัญหาเรื่องสวัสดิภาพด้านทรัพย์สินก็จะมา เัตาการมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆโล้คนก็ประสบความสูญเสียทรัพย์สินไปในหลายๆรูปแบบกดแสดงให้เห็นว่าชีวิต ท, ทรัพย์สินไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าเสรีภาพในทรัพย์สินนั้นถูกคุกคาม ผู้ค้าที่แรงแรงก็คือการจุรกรรมการปล้นข่ากลักขโมยการจกจิงวิ่งราวการกันโชครัพบโดยกลุ่มอำนาจอิทธิพลทั้งหลายจากกลุ่มอานาจอิทธิพลทั้งหลายการปล้นการปล้นซั์ก็ปีข่าวให้ได้ยินยบ่อย การกล่าวตูส่วนมากแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับทุกที่ดนินเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ต่างๆการชอ่อกการหลอกการลวงคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับบาปถ้ า, าใดคนยังไม่เชื่อระงบาปบุญคุณโทษเนี่ยปัญหานี้เราแก้ยากเพราะคนจะต้องมีจิตสํานึกดูตัวของเขาเอง ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเรามีความทัดเจนว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและการยอมรับน้ำถือเหล่านี้จะต้องกระจายไปในสองเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏ ที่จริงถ้าเรามองพระพุทธดรรรัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตวัโดยค่อนข้างจะเจาะจงมากคือการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคุ่ครองการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเอือรและการโลภอยากได้ของของคนอื่นความพยาบาทป้องร้ายบุคคลอื่นการเห็นผิดจากทำนองคองธรรม ตัวอย่างอีกทรงแสดงว่ามันลงเนียยคนลงสูตรนะลูกเพราะงี้ถ้เกิดในอบายมันก็มีอยู่สามอย่างคือทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจลักษณะของทุจริตทุจริตมีผลเป็นความทุกข์ตั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นรูปอาการก็คือจะเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่น ตัวเจตนาก็ประกอบดปวยราคาโลภาโทสามโมหะเป็นกระบวนการทางจิตที่ต่อเนื่องแล้วออกมาเป็นการกระทําการพูดมีผลเป็นความเดือดร้อนภายในสังคมในฐานะที่คนทุกคนไปนจะมาชี้คนสังคมยังไงยังไงมันก็ต้องเดือดร้อนถึงกันอาการทางโุรกรรมเนี่ยมันมีมาก มากจนคือต้องถามเจ้าหน้าที่ตารวจนะฮะไว้จริงๆมีกี่ประเภทพิธีการเขาอย่างไรบ้างเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตารวจเขามีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านี้ทึ่งการหลอกการลวงการปลอม้องปลอมเงินปลอมสินค้าปลอมอะไรปลอมๆต่างๆแม้แต่พระสงฆ์ไม่ปลอมเลย แต่ละปีแต่ละปีนะักคนปลอมเป็นที่เป็นพระในจำนวนมากเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์จะหางเงินจะศรัทธาของประาชาชนที่มีต่อพระและต่อชิ่ันนีทีก็ออกไปหา ก, กินต่างประเทศแถวสิงคโปร์แถวฮ่องกงแถวมาเลก็เป็นเรื่องของความเอาประโยชน์อดสู ที่ก็ไม่สามารถจะพูดจากกบคนเหล่านั้นได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครถึงรู้มันก็โอกาสที่จะพูดมันก็ยา ก, กนะมันไม่ใช่ยาติี่โกหกิการอะไรทพ่จะไปพูดจาอะไรให้เขายอมรั บ, ร, บรับถือได้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่จะบัหน้าที่บ้านเมืองก็เถอะก็มีจานวนไม่ได้มากอะไรจะไปดูคนเหล่านั้นได้ตลอด พรสังคมเนี่ยมนุษย์จะต้องมีวินัยในตัวเองจะต้องสามารถกำกับควบคุมพฤติกรรมตัวเองมาให้เป็นปัญหาต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกได้และสวัสดิภาพในด้านชีวิตใงด้านทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นอาการเหล่านี้จะกระจายออกไปเช่นตระบัดหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบต่างๆการเบียดบัง ให้ความมาของมากประหยัดยอกเบียดบงังส่วนหนึ่งเพือจะจ่ายภาษีน้อยหรือเพื่อได้หยิบช่วยเอาไปเป็นิทธเป็นเป็นสมส่วนตัวส่วนหนึ่งบางทีก็สับเปลี่ยนคือเอาของที่มีค่าน้อยไปสับเปลี่ยนกับของมีค่ามากหลักรอบอันนี้ก็แบบหลักรอบหนี ขนของหนีไปจากจากสถานที่ต่างๆซุกซ่อนไปลักรอบไปปกปิดไปก็หลายวิธีไปกันยักยอกมนการนีที่เขาฝากของเอาไว้ก็ยักยอกไปเป็นของตนหรือเขาไม่ฝากหรอกแต่เรารู้ว่าของนั้นอยู่ที่ไหนเราก็ไปยักยอกของนั้นมาเป็นสมบัติของตนเอง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือไม่กระทําการอันเป็นสมโจรคือร่วมแรงร่วมใจกับโจนเจริญซื้อของโจรรับซื้อของโจรสนับสนุนกิจกรรมของโจรแล้วก็บอกลอ ก, ลอ ก, ลก เ, อกเปก็เนนิสัยหนึ่งเขลอกลวงนี่แหละแปลว่าบอกลอกทรัพย์เขาคนไม่กลัวบาปเนี่ยก็ทําได้เท่านั้น วันก่อนดูรายการพวกคนเขาคิดว่าเขาฆ่าคนตายแล้วก็หนีไปสามปีมันเกิดกระสับกระส่ายร่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุขสำนึกบาปเลยก็มาขอมอบตัวทำกลางรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง ก็กดตัวทัดไปดูไปเจอเ้าก็เกิดสนใจความคิดเนี่ยฮะมาชอบความคิดของคนแบบนี้ว่าเขาคิดยังไงเพราะเขาทะลําลึกไปจนขนาดว่าถ้าคนพช้ปืนสงครามทีเดียวแต่ว่าก็โชคดีนะฮะปรากฏว่าคนที่เขายิงไม่ตาย แล้วก็ในสุดเขาก็พบกันเอาโอซิ OC, ให้แก่กันอลไรกันแขาก็ให้สติตักเตือนว่าขอให้คิดดีว่าแต่ความชั่วนี่ถ้าเราทําแล้วเราหลีกหนีไม่ได้หรอกเพราะมันจะอยู่กับเราอยู่กับใจเราในตลอดไปเราจะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความวิตกกังวลเพรา ะ, ะ น, น่าต้องการได้คือไม่ทํานี่จะเป็นการดี ต่ทำไปแล้วก็ต้องยอมรับผิดอันนี้เป็นหลักการสำคัญว่าคนเมื่อทำผิดต้องสำนึกว่าผิดแล้วก็ประบปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามสมควรแก่กรณีบางการณีที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่น็นการล่วงเกินสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นมันเป็นความผิดเราสำนึกว่าเป็นความผิด ในส่วนที่มีเกี่ยวกับกฎหมายที่ระวังเรากับบุคคลเหล่านั้นก็ปวดขอกมาลาโทษทีนี้คนเป็นนั้นมากที่ทำความผิดไม่สำนึ ก, กว่าเป็นความผิดและไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือไม่มีการขอกมาลาโทษพวกนี้เป็นปัญหาเป็นคนพานแท้ที่พระเจ้าทรงแสดงว่า คนพาลที่รู้ตัวว่าเป็นคนผ่าลโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตมันก็มีได้แต่คนพานที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผ่านก็เป็นคนผ่านแท้เพราะปัญหาสําคัญว่าวันเราผิดได้ไม่ได้แปลกอะไรเราก็เป็นสามัญช น, นแต่ผิดแล้วต้องสํา น, นึกก็เป็นความผิด ถ้าเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องขอขามาลาโทษแต่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองในขณะเดียวกันคนที่ถูกคนอื่นเขาล่วงเกินเขาขอโทษก็ควรจะให้อภัยถ้าไม่ยอมให้อภัยก็ถือว่าเป็นคนพานอดพูนนเราเห็นว่าจิตใจของคนที่อยู่ร่วมกันภายในสังคมที่จะให้เกิดเป็นสวัสดิภาพเป็นมาได้ ท่าทีต่อคนต้องเป็นมิตรท่าทีต่อธรรมะต้องให้ความเคารพท่าทีต่อสิทธิต่อผลประโยชน์ต่างๆ ต, ต้องให้ความเคารพหมายความเคารพซึ่งกันและกันไม่ได้กะเกงใครคนใดให้คนหนึ่งให้เคารพต่อคนอื่นโดยคนอื่นไม่ต้องเคารพมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแนธรรมะอย่าดื้อ ม, มันเป็นรูปกิรยิยาปฏิุริยาที่ กันและกันไหว้กันอะไรกันให้ความเคารพกันอะไรกันให้ความนับถือกันอะไรกันมันจะ ต, ต้องเป็นรูปของกิริยาปฏิกริยาที่นุ่นช่วยกันสวัสดิภาพก็จะดําเนินไปได้เพราะเราจะเห็นว่าสังคมที่เกิดสวัสดิภาพมันเกิดเป็นยอมๆเป็นจุดๆ แต่ว่าเสื่อมเสียสวัสดิภาพมันก็เกิดเป็นจุดๆหน่ครับและบางครั้งมันก็ต่อเนื่องรุนแรงจนเรื่องหน้าหวัดรั่วไปอย่างในสามจังหวัดภาคใต้ได้คาววารองสมุห ร, ราชองค์กรักคนเอกนพลบุญทัพนำพระที่อาสาสมัครเพื่อไปช่วยอยู่วัดข้าวัดยำพันษาที่ สารเัหวัดพักตายร้อยหนึ่งรูปแต่วัดที่ไม่มีพระอยู่จำบรรษาครบมีอยู่สองร้อยกวแสดงเห็นว่าพระได้ทิ้งฉิ่นไปเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งชีบบวชใหม่แล้วก็สึกออกไปแล้วคนรุ่นใหม่ไม่ได้บวชมันก็ขาดความต่อเนื่องตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แสดงเห็นว่า การครงชีวิตตรงนั้นไม่มีสวัสดิภาพคนจะอยู่ด้วยความหวาดรวแวงวิตกกังวลจนสภาพฝันนี้ดีฝ่อหรือฝันกระเจิงไม่สามารถสงบใจได้มีความวิตกกังวลมีความเครียดอยู่ตลอดแล้วก็ยิ่งแก้ไขก็ยิ่ง มีความรุนแรงแต่ถ้าเราคิดตัวเลขเทียบเคียงนะก็ถือว่าเวลานี้ก็ลดลงเพราความรุนแรงลงแต่ก็ไม่ควรที่จะมีการฆ่ากันเพื่อสามสามสี่ข้อแรกสามสี่ข้อที่ว่าเนี่ยมันเป็นหลักของโลกชาโลกจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพสิทธิของกันและกันแล้วไม่ล่วงละเมิดกันลดต้องการสิทธิและเสรีภาพ ถ้าก็อยู่อย่างมีเสรีภาพแล้วก็มีใครไปร่วงเราเมื่อสิทธิเขาผู้คนให้ความเคารพสิทธิของเขาไม่ต้องถึงก็เอื้อเพื่อเผือแผ่โอ้ป่อมาดีช่วยเหลือเกื้อกูลน่า อ, อะไรเท่าไรก็ตามแต่ว่าสามารถปฏิบัติได้ขนาดนี้เรถือว่าเป็นความดีที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาของคนดีทั้งหลายในโลกแล้ว วันประกันต่อไปก็คือสวัสดิภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวะ ก, กุลวงศคําำว่าประเวณีเนี่ยมีว่าร่องระมือดในทางประเวณีคำว่าประเวณีก็คือเชื้อสายเช่นว่านายก อ, อย่างเงี้ยเขามีเมียกี่คนก็าตามลูกที่เกิดจากพัญญาของเขาก็คือลูกของเขาคือเชื้อสายของนายก เพราเราจรึงพบว่าการพูดเรื่องการเมศมลิชาจารย์มักจะพูดเฉพาะผู้ชายไปล่วงละเมิดต่อผู้หญิงแต่ไม่เคยพูดเรื่องผู้หญิงที่ไปล่วงละเมิดต่อผู้ชายยิ่งแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติก็เป็นการเมดรด้วยกันนั่นแหละหมายความว่าผู้หญิงไปแย่งสามีของหญิงอื่นก็เป็นการเม แล้วก็ชายอื่นไปร่วมละเมิดพันยาของชายอื่นก็เป็นการเมตสุมิสมศาจัดแต่ประเด็นที่สำคัญนี่เขาว่าสมมติว่านายกไปร่วมละเมิดทางเพศของพันยาในขอหรือนางคอยองนางคอมีคันแล้วก็มีลูก คนก็จะอิดอาจจะคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของนายคอแต่ีจริงไม่ใช่เป็นลูกของนายกาะในขณะที่พันยาเป็นของนายคอแต่ว่าลูกเป็นของนายกแล้วลูกมันก็ต้องอยู่กับนายเกาะแล้วสิสิขก็ทาเชื้อสายเขาให้เกิดความสับสนแล้วก็นินสัยใจคอของเด็กเหล่านั้นก็อาจจะไม่ดีพอ อาจจะทําให้ะ ก, กุลข้างในเกาะในขอที่เสื่อมเสียตามไปด้วยวารประเวณีเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพเพราะมันเป็นกลุ่มคนมหาศาลนะเป็นสายส ก, กุลเขานะฮะเป็นสายส ก, กุลเราเราลองสังเกตว่าพวกจีนก็ดีพวกอินเดียก็ดีเนี่ยคือจะให้ความนําคัญแก่สายส ก, กุลพวกจีนให้ความนําคัญแก่แสบเบียก็ให้ความนําคัญแกแ่โคตแก่แกส ก, กุล แล้วก็ถือกันขอนข้างจริงจงังมากมีการยกย่องมีการดูหมินมีการเหยียดหยามมีการกีดกันกันในหว่างสกุลทั้งหลายต่อสกุลซึ่งว่าที่จริงขนาดนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการให้ความเคารพไม่ล่วงละเมิดเราคู่ครองของกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม คือปริยายเหล่านี้ในแง่ของการศึกษากับการปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงประเภทผู้หญิงที่ม่ควรแก่การล่วงละเมิดทางเพศของผู้ชายไว้ทั้งหมด20ประเภทแต่ก็มี8ประเภทที่ไม่จัดเป็นการเมสามีาจารย์หมายความผู้หญิงเหล่านั้นเขาไม่มีสา ม, มี แดีวจะเกิดได้เสียกันก็เกิดมีลูกมันก็เป็นลูกของผู้ชายคนนั้นแหละประเพณีคือเชื้อสายเขาไม่ถูกทำลายเวลาเรานับผู้ชายมันก็นับอย่างนั้นเหมือนกันก็หมายความหมาผู้ชายเจ็ดประเภทเนี่ยเพศชายหนุ่มกับหญิงสาวต่างฝ่ายต่างไม่มีผู้กครองเขาก็มีการเกี่ยวข้องกันในทางเพศมันก็ไม่จัดเป็นการมีสมิชาจารย์ แต่ส่วนจะเป็นบาปเป็นอาจารย์คือมันญาติที่ไม่ควรประพฤติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะได้หลักในเรื่องเหล่านี้โบราณท่านกล่าวไว้ไพเราะมามาคยอ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็จำได้มันไัเราะแล้วก็สังคมน่าจะมี ท่านบอกว่าหญิงจะ ง, งามก็เพราะความบริสุทธิ์เพศบุรุษจรงรักศักสนวนแม้เกิดการเกินเลยเชิงเฉยชวนหญิงเสียนวนชายเสียนามไปตามกันแต่เมื่อเอาคุณค่าเข้ามาเทียบหญิงเสียเปรียบก็เพราะหญิงหมดมิ่งขวัญชายที่ดีควรจะมีคุณาทันถนอมขวัญัตรีไว้สีเลยผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษผู้หญิงเป็นสุภาพศัตรีผู้ชายเป็นกุลบุตรผู้หญิงเป็นกุลจิดา มีจิตสมฤทธิ์ดีงามรู้จักรักษานวยสงวนตัวถนอมตัวเองไม่สับสนในเรื่องเพศตอนนี้เรียกว่าพูดยากยิ่งกว่าปีนบันไดสวรรค์พูดยากมากและจังว่าโอกาสที่จะพูดก็พูดยากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระไปพูดเนี่ยยิ่งพูดยากใหญ่เลย เพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สังคมต้องนึ ก, กรับผิดชอบว่าถ้ามีการปล่อยปาะล่าเลยกันมากแล้วก็ปล่อยให้ล่วงละเมิดกันเป็นปกติธรรมดาบ่อทีมันแรงเกินไปอย่างใ น, นยิงข่าวทางวิทยุให้ทางโทรทัศน์นันวันนั้นผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบป่า คงคืนแม่ยายอายุแปดสิบกว่าจนตายนะฮีคิดกันมันยังไงคนอายุตั้งห้าสิบกว่าไปคิดได้ได้ยงงั้นไหมนี่แสดงว่าจิตใจมันตกต่ขลงไปเยอะอยู่กับลูกเขยยังไม่ปลอดภัยนะนที่อยู่กับพ่อยังไม่ปลอดภัยนะเป็นภาพที่น่ากลัวมาก น, นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความเคารพ แล้วอย่าลืมมาเรื่อยกล่า่าลืมาลมามเรื่องการยมสมิาจาความสุขนี่เป็นระยะสั้นๆแต่ความทุกข์นี่จะกินเวลานานมากเพราะมันไปถึงนรกเมื่ก่อนมีคนมาถามมาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนเดี๋ยวนี้ มีการเบี่ยงเบนทางเพศสูงบอกว่ารายละเอียดทางโรคเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันคงเกียกเก่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับไอ้ดีเสัด ส, ส่วนของดี็ของยีนอะไ ร, ต, ไรต่างๆเนี่ยมันมันคงจะมีองค์ประกอบเยอะแต่ว่าหลักพระพุทธศาสน า, า, าเนี่ยมันเป็นการแส ด, แดงถึงผลของการเมตสุนิชฌา์ ในความว่าในยุคใดที่ชาวโลกเขาประพฤติ ส, มสัมปชอนในทางเพศหมาในการต่อมาจะมีคนเกิดมาก็มีเรื่ทางเพศโดยเฉพาะยิ่งคือเป็นกระเทยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งจะถูกคมคืนผู้หญิงคนนี้จะถูกคมคืนจากกระเทยกลายเป็นผู้หญิงแต่จะผู้หญิงนี่ถูกคมคืนก่อน แล้คมคือนอย่างเงี้ ย, ยอยู่ตั้งทาราเจาตทราบแลจะจากนั้นจริงจะเกิดเป็นผู้หญิงที่ก็ไม่ค่อยปกติอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่คุ้มจริงๆนะถ้าเราเชื่อเรื่องบาปกรรมแล้วไม่คุ้มจริงๆทั้งหมดนั่นแหละทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งคู่ครองคนฆ่าก็คือผู้อยู่เพื่อถูกฆ่าคนรักก็อยู่เพื่อถูกรัก คนล้ละเมิดในทางเพศก็อยู่เพื่อเผชิญหน้ากับเวรภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างในกรณีของคนที่เล่าเรื่องมามอบตัวในรายการของตัวจัดแล้วก็ทำงานเป็นช่างรับเหมาก่อสส้างแล้วก็เจ้าของเนี่ย แต่ของงานเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินจนระเดือดร้อนลูกจ้างไอ้ลูกน้องเนี่ยไม่มีข้าวกิ น, เ, นเองก็ไม่มีข้าวกินก็ไปขอต่อรองอ้อนบอนด้วยวิธีการาต่างๆคนนั้นก็พูดจาลักษณะท้าทายแล้วก็ดูถูกดูหมิน่ไนไอ้นี่ก็อัดอั้นทนไม่ไหวก็ไป ส่วนเพื่อนเพื่อนนั่งมอเตอร์ไซค์มันยิ่งเลยผลลั้ายมันเสียมากขึ้นเป็นที่จะเสียเท่าที่เสียเนี่ยที่บราณท่านบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายประการต่อไปคือสวัสดิภาพในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายตามรัฐมนูญ สังคมเรากำลังค่อนข้างจะสับสนนะแต่ เ, เราลองสังเกตดูให้ดีว่าการตีความกฎหมายเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่รู้จะเอากฎเกณฑ์อะไรเป็นหลักยังยกตัวยอย่างในกรณีของจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศเขาไม่ได้คิดว่าเป็นส่วนที่สัญญา ก็ตามจารีดของเขาที่เขาประพฤติปฏิบัติกันมาริชดีกาก็ไม่เห็นว่าเป็นส่นทิ่สัญญาตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่บอกให้ขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเองก็เห็นอย่างนั้นนักกฎหมายคนที่มีหน้ า, นาที่โดยตรงวิกรมืออาชีพในกระทรวงต่างประเทศก็เห็นอย่างนั้นแต่ว่าผลสุดท้ายศาลตัดสินว่าเป็นสนทิ่สัญญา แต่ละคนมันน่า ก, กฎหมายทางนั้นนี่คือเป็นเป็นประเด็นที่น่าคิดไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะทำไมกฎหมายมาตราเดียวกันถึงมองต่างกันมากมายไกลกองขนาดนี้และทีนี้มันก็เกรงเครียดนะฮะคือคนจะทํางานเนี่ยต้องเกรงต้องเครียดเพราะไม่มั่นใจว่าอันเนี้ยมันจะมีฐานะเป็นอะไรเพราะการข้อตอกลงอะไรต่ะอะไรต่างๆเนีย เวลาเราสนทนาอะไรกันก็มีหนังสือตกลงใจภาคีทวิภาคีอะไรแต่อะไรก็มีจะข้อตกลงต่างๆก็จะเรียกอะไรก็ตามแห้ะแล้วก็เป็นข้อตกลงกันทีนี้เมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันมีฐานะเป็ น, ส, นสัญญาซึ่งกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องผ่าน ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วสมมติว่าข้าไปจริงเราก็เถียงกันอีกนะคือครือมแปลกว่าในเรื่องวินัยของพระเนี่ยพระไม่ค่อยมีความเห็นแย้งเรื่องวินยัยเขาตีความกันมาอย่างไงโบราณเนี่ยก็มีความกันมาอย่างนั้น มันอาจจะเรา ถ, ถือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสมบูรณ์ด้วยพระปัญญาทรงปัญาาที่ชัดเจนมันมันดิ้นไม่ได้อะบางสิ่ขาบทมีข้อความยาวแต่ว่ามันก็ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอ่านภาพก็เข้าใจปุ๊บไม่มีทางเข้าใจเป็นอย่างอืน่นแต่นี่เล่นตีความเล่ตีความแล้วกระแสสังคมเนี่ยมันใช้ความเห็น ผมเห็นว่าผมเข้าใจว่าผมเชื่อว่าผมถือว่าผมสรรนิฐานว่าไม่รู้อะไรคือละ่ะแต่ว่าเวลาพระพูดเนี่ยเขาวินัยว่าอย่างนี้ธรรมะว่าอย่างงี้บินยัยถ้าพระวิชาบินายพระวิช า, บ, าบัญญัติอะบอกเรื่อพระวิชาบัญ ญ, ญ, ญ, ญัติไปแล้และถ้าพระธรรมบางครั้งก็เป็นธรรมะบางครั้งก็เป็นพุทธภาษิต ส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธภาษิตเ้าก็บอกผู้จากรก็สั่งอะไรแบบนี้แต่ธรรมะท่านว่าไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครไปเถียงธรรมะเพราะถ้าความขัดแย้งในเรื่องนี้จริงไม่ค่อยมีนันอาจจะเป็นเพราะคนไม่มากแล้วก็คนไม่ถูกสร้างกระแสให้หลงทางปัญหาใหญ่ก็คือว่าเรารับฟังสาร ก็เรียกสื่อทางเดียวอะคือยังนึ้ถึงในมงคลสูตรในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงนการสื่อสารนี่มีอยู่ตั้งสามวิธีวิธีหนึ่งก็คือผูสัจจะคือการเรียนรู้ทั้งสองทางนั่นแหละคือสื่อทางเดียวหรือสื่อสองทาง แล้วว่าผ่านกระบวนการที่มีความคิดอิสระคือคิดเป็นเข้าใจคิดแล้วก็เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นวันความรู้เหล่านั้นก็จะไม่เกิดเป็นความขัดแย้งในสูตรก็ส่งสอนว่าการเลนธรรมโสนาคือการฟังสื่อทางเดียวเนี่ยตามการที่เหมาะสมที่ควรแล้วก็บางโอกาสควรจะเป็นการเลนธรรมะสากระสาคือสนทนากัน และเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็ช่วยกันหาข้ อ, อยุติไม่ใช่ออาชนะคัดขานกันบางคนต่างเสริมเติมเต็มให้แก่กันและกันโดยการพูดจา ก, กนรู้จิตคิดอน้เคราะห์ต้องการนห้บุคคลแต่ละฝ่ายนั้นได้รับประโยชน์จากการสื่อสารแอบนั้นเพราะเราเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายกับปัญหารัฐธรรมนูญ ท่นนั้นไม่เข้าใจอ่ะนะคือยังมีความรู้สึกว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยไม่น่าจะอ่านออกสู่สาธารณชนเพราะเราฟังมาส3งสามเรื่องแต่ไม่คือฟังไม่ได้ฟังตลอดนะครฟังมาเป็นตอนตอนเพราะว่าแต่ละคราวที่ท่า น, นออกมันยาวเลยเกิบแล้วเราก็ไม่ได้จิตามเรื่องมาต่ต้น บางประเด็นเราประจับไม่ถูกแต่มีความรู้สึกนะฮะว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำกันเฉพาะผู้รู้หัวรู้หางในเรื่องเหล่านีน้ไม่ควรจะให้ปรากฏสอดสาสาธารนณะเพราะสาธารณะวนนั้นข้อมูลไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะคิดเข้าใจไปในทางผิดก็ได้ โอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาได้ถ้ามีไงต้องรักษาสถาบันนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ไว้ถ้าสถาบันนี้เกิดวิกฤติศรัทธาขึ้นมาแล้วโอ้ยจะแยกแก้ยากมากเลยไม่รู้จะแก้อะไรไม่รู้จะเอาใครมาแก้นะฮันสถาบันนี้จะต้องศักดิ์สิทธิ์จะต้องรักษาไว้แล้วก็ทุกคนก็ต้องให้ความเคารพ ประการต่อไปสวัสดิภาพที่เกิดจากการครบหาสมาคมกันจกใจเกิดสวัสดิภาพก็คือจริงใจต่อกันคบกันด้วยความเป็นมิตรที่มีสุจริตใจต่อกันและภัายมีปฏิกิริยากิริยาปฏิกิริยาในเชิงบวกสร้างสารรค์พัฒนา ไม่ใช่เล่ใช่มายาใช่เสแสแซงใช่โ อ, อวดใช่บิดเบือนใช่แข่งดีใช่หลอกลวงใช่ปลอมแปลงละอะไรต่างๆเป็นลักษณะการประพฤติปฏิบัติในทางสุจริตจริงกายจริงวาจาและก็จรจใจมองไปที่ประโยชน์ซึ่งคนที่เราคข้าปานี่จะพึงได้พึงถึง โดยความยุติธรรมปัะหาเหล่านี้เราจะพบว่าในแวดวงของการคบหาเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากอย่างโครงโล ก, ก น, นิตพี่ก็บอกว่ามาส ม, มุดสุดลึกล้นคนน า, นาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอัดวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นั้น้า ย, ยากแค้อย่างถึงมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวนะฮะที่พูดอย่างทาอย่างคิดอย่างได้ เพราะฉจะสวัสดิภาพจะมีได้ด้วยการที่ไม่โกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันไม่มีการพลสาบานไม่มีการทำเล่กเทไม่มีมารยาไม่มีทำเล่ไม่มีเสริมความไม่มีการอาความไม่มีการเสียดแทงหรือว่าไม่มีการสับปรับ ต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกต่อหน้าอย่างหนึ่งหรับหลังอย่างหนึ่งหน้าไหวหลังหลอกเข้าใจยากไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ทีนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าไอ้ความเป็นเวรเป็นภัยเป็นอันตรายการเบียดเบียนกันการประทุสลายกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตเนี่ยมันเยอะมาก อย่า ง, งนี้ยงในกันณีเขาพระวิหารเนี่ยพอ2255มันเด็ดเสร็จไปแล้วว่าเรายอมไม่เป็นจำเลยเองครางนั้นก็มีการถกเถียงมีการผิดปลาดกันก็ปรากฏว่าถ้าเราไม่ยอมรับเป็นจำเลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงเรายอมรับแล้วก็ไปใช้แผนที่คนละแผนกันทุกกันด้วยเดยก็ไปกันได้แล้วก็ฝรั่งเศส ก, ก็ก็เสียหน้าที มันเขาก็ต้องเข้าฝ่ายประเทศที่เป็นอดีตนานิคมของเขาเพราะว่าเขาทาแผนที่เองแผนที่เขาต้องถูกถ้าผิดเขาก็เสียบรรดาชนเขาก็เสียไอ้นี่ยมันเป็นการไม่รู้เขารู้เราแล้วเมื่อยุติไปอย่างนั้นก็คือยุติอย่า ง, ง น, นั้นน่ะมันเป็นมมดกของโลกมันเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้หรอกแต่ทุกคนก็เป็นเจ้าของมมดกโลก แต่ที่จริงการเป็นมารดกโลกนั้นก็เป็นชี้เปิดพิเศษหมายความว่าชาวโลกเป็นเจ้าของร่วมกันก็ไม่เสียหายเลยในประเทศไทยก็มีเยอะมารดกลโลกร โ, โลกรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดตั้งพันแปดร้อยกว่าแห่งมากแต่ว่าว่าเราไม่มีความไปเสียสละในความรู้สึก ซึ่งมันเป็นอนดีตแล้วกินนะแล้วก็ไปรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีท่าทีคล้ายๆกับเมื่อพอชีวิตเราอยู่เมื่อพศสองพันหร้อยห้าอย่างนี้มันก็ยุ่งหมดมันก็ไม่ไม่เกิดสวัสดิภาพาะว่าเราเกิดการขัดแยง้งกันจนถึงก็ยิงกันนะทีนี้อยู่ยากมากหลายปีนะฮะหลายปีกว่าจะปกติสุขและเงินเนี่ยไม่ต้องพูดว่าผลประโยชน์ต่างๆที่ว่า มันแลกกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกันอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปในพิจาาแม้แต่ว่าการทู่เดงจะเดินไปได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยไม่ต้องพูดถึงการค้าการลงทุนหรือกิจกรรมร่วมกันต่างๆการตัดตัดถนนเดินทางร่วมกันะะอะไรต่างๆในเครือของอาเซียนเนี่ยมันจะหายไปแล้วเราบวกกันอย่าพูดเรื่องสวัสดิภาพเลยทีเดียเพราะสวัสดิภาพจะ ต, ต้องอาศัยการเสียสละช่วยเหลือกัน ในการเสียสละเพื่อตนเองและก็เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพของสังคมประชาคมโลกอย่าน้อยในแถบอาเซียนสิบประเทศนะต่อไปเราอาจจะมีญี่ปุ่นมีจีนมีอินเดียนะเข้ามาร่วมขันกันแล้วก็ถ้าเราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้น โอ้โหอาาบริเวณมันกว้างใหญ่ไพศาลจำนวนประชากรมันเท่าไรเขาเบิกว่นหนึ่งในสามของโลกอะหนึ่งในสามหรือ1่ใน4ี่ไม่รู้อะถูกอินเดียกับจีนก็สาหัสแล้วเพราะนารรู้สึกเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่บุคคลเมื่อเห็นผลประโยชน์ที่โอลาน วนเสียสละประโยชน์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ที่โอฬานคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มันมมีการได้อะไรโดยไม่ต้องเสียและก็ไม่มีการเสียอะไรที่โดยเราไม่ได้ได้อะไรทีนี้เรามีมการได้กับเสียเราหาย ใ, ใจเข้าเป็นได้เราหาย ใ, ใจออกเป็นเสียหายใจเข้าจริงเรายืมยืมลมนะฮะที่จริงก็ยืมธาตุมาจากธรรมชาติ มาปลนปลือมาหล่อเลี้ยงร่างกายเราเสร็จแล้วเราหายใจออกคืนให้แก่ธรรมชาติหธรรมชาติฟอกให้บริสุทธิ์มีออกซิเจนเราก็หายใจเข้าไปก็เป็นประโยชน์นันก็แสดงว่าเราก็มีได้มีเสียมันไม่มีอะไรที่ได้อย่างเดียวแล้วก็เสียอย่างเดียวคนเราต้องยอมเสียบ้างเพื่อได้เราเสียเราเสียมากเราก็ได้มากเสียน้อยเราก็ได้น้อยเหมือนกับลงทุน แล้วกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าต้นทุนมันสูงกําไรปริมาณการผิดมันก็สูงคนที่เขาร่วมกระบวนการก็สูงผลประโยชน์ต่างๆมันก็สูงตามมามันเป็นกระบวนการเหล่าดีซึ่งทั้งคนจะอยู่ร่วมกันโดยมีสวัสดิภาพทุกคนจะต้องไม่เห็นแก่ตัวเองแต่ต้องเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติ เห็นแก่ความมั่นคงและเห็นแก่ศีลธรรมอันดีเพราะตราบใดได้รายังขาดศีลธรรมกำกับจิตเนี่ยมันก็ยากนะยากที่จะปฏิบัติดำเนินชีวิตให้มันเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขหรือสังคมมีสวัสดิภาพต้องฟังอะไร เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมประจำวันจันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามเพยบบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี